ตเตือนใจจากฝันในระยะที่ท่านเข้าอยู่ศึกษาใหม่ๆท่านรู้สึกเกรงกลัวท่านอาจารย์มั่นมากอาจเป็นเพราะเหตุนี้เองทำให้วันหนึ่งในตอนกลางวันหลังจากท่านเอนกายลง พักผ่อนอิริยาบถได้ไม่นานก็เลยเคลิ้มหลับไปขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาดุเอาเสียยกใหญ่ว่าท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่เพราะที่นี่มิใช่โรงเลี้ยงหมูผมจึงไม่เสริมพระที่มาเรียนวิชาหมู เดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมูไปเสียงของท่านอาจารย์มั่นในฝันนั้นเป็นเสียงตะโกนดุดา่าขูเข็นให้ท่านกลัวเสียด้วยจึงทำให้ท่านสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตะหนกตกใจท่านพยายามโผล่หน้าออกมาที่ประตูเพื่อมองหาท่านอาจารย์มั่นแต่ก็ไม่พบ ความรู้สึกของท่านในตอนนั้นท่านเล่าว่าทั้งตัวสัน่นใจสัน่นแทบเป็นบ้าไปในขณะนั้นเพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตังตวไม่ติดอยู่แล้วแต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบธรมเท่านั้นแถมท่านยังนำยาปราบหมูมาครอเข้าอีกนึกว่าสลบไปในเวลานั้น พอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏจึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้างพอได้โอกาสท่านจึงกราบเรียนเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นก็เมตตาแก้ให้เป็นอุบายปลอบโยน โดยอธิบายความฝันนั้นให้ฟังว่าเรามาหาครูอาจารย์ใหม่ๆประกอบกับมีความระวังตั้งใจมากเวลาหลับไปทาให้คิดและฝันไปอย่างนั้นเองที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตือนไม่ให้เรานำลัทธินิสัยของหมูมาใช้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 ท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบทำดีแล้วจงนำไปเป็นคติเตือนใจตัวเองเวลาเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาจะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไปนิมิตเช่นนี้เป็นของดีหายากไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆ ผมชอบนิมิตทำนองนี้มากเพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่เนืองๆความเพียรจะได้เร่งรีบถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอๆใจท่านจะสงบได้เร็ว เรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่า ก, กลัวท่านเกินไปใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขผิดทูปประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรมการกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนำทุกขมาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุดาเทียนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควร